จะเปิดรับสมัครครอบครัวที่มีจิตใจเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเรารับแค่20ครอบครัวเท่านั้นเองนะคะโดยโดยมีครูอาสานะคะจากพี่ๆใจดีใช่ไหมคะจากจากจังหวัดนครสวรรค์เหรอคะครับทีมงานของอาจารย์พจนานะครับค่ะแล้วก็พี่เลี้ยงที่ใจดีเนี่ยจะมาเป็นวิทยากรให้กับเด็กๆนะคะครับ ใกล้เวลามากแล้วนะครับขอนิดนึงนะครับคุณแพลวชมพูที่ได้จับฉลากส่งคำถามนะครับหมายเลขสาอยู่ไหมครับคุณแพลวชมพูครับถ้าไม่อยู่ก็ต้องตัดสิทธิ์แล้วนะครับถ้าไม่อยู่เราจะจับใหม่ได้ไหมคะมาเราขอจับจับฉลากใหม่ได้ั้ยคะได้เวลานะคะค่ะแล้วก็คุณแสงจันอยู่ไหมครับคุณแสงจันรัตนมังคละครับที่ลงชื่อไว้ครับ คุณแสงจันทร์อยู่ไหมครับแล้วก็คุณปียวดีหลงคำรัฐอยู่ไหมคะถ้างั้นสลัดสิสามท่านนะคะครับถ้างั้นก็เหลือส่งกันบ้านสิบสองสิบสองท่าน 12-3 สสองสามเหลือเก้าเหลือเก้าท่าน <c oughs> ทีนี้เรารับสมัครเลยได้ไหมคะตอนนี้มีไหมคะอ๋อครับ แม่ชีจะส่งไหมคะแม่ชีจะส่งไหมคะงั้นเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญครับเรยเชิญถ้าแม่ชีเลยค่ะนะคะยังว่างอีกสองท่านนะคะเรียนเชิญเลยค่ะพี่นะคะพี่เสื้อสีส้มนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะพี่เสื้อสีดํานะคะครบพอดีเราไม่อยากให้เสียสิทธิ์กันนะคะตั้งสามสิทธิ์นนะคะนานๆจะได้เจอหลวงพ่อนี่เป็นโอกาสที่ยากมากๆนะคะหมายเลขอีกสิบสองใช่ไหมหมายเลข้ออีที่ว่างอะค่ะพี่ค่ะ กเอาเข้าไปห้องน้ำใช่ไหมครับมีมีหมายเลขที่ว่างไหมครับมีไหมคะตอนนี้เก้าอี้เจ้าที่มีไหมคะพี่ตัวไหนว่างไม่เอ่ยถัดไปเลยก็ได้ไหมครับ<ป>ค่ะเก้าอี้ส่งกับบ้านอาจจะเกินไปหนึ่งที่นะคะเพราะว่า สำหรับท่านที่มาใหม่แล้วไม่มีเก้าอี้นั่งนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่ามานั่งด้านหน้านะครับที่ปูเสือ่อแล้วก็ที่จัดเอาไว้ด้านหน้าก็ยังพอมีอีกหลายที่นะครับเบียดเบีย ด, ดกันได้นะครับเนื <ขา S 1> ่องจากว่าเราเปิดวันนี้เปิดเพียงห้องเดียวนะครับค่ะต้องบอกว่านนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยของเรานี่เป็นที่ที่ส่งคนบ้านง่ายที่สุดนะเขา้ขาถึงหลวงพ่อได้ง่ายที่สุดด้วยนะคะค่ะก็ในช่วงนี้ ขอให้ทุกท่านนะคะตื่นรู้นะคะตามหาสติกันดีกว่าดีไหมคะดีครับเพราะว่าเดี๋ยว เ, เสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปนิมนต์หลวงพ่อแล้วก็พอหลวงพ่อขึ้นมาบนเวทีก็จะเรียนเชิญท่านผู้บริหารขึ้นถวายพวงมาลายัยแล้วก็นําปานะท่านแล้วก็จะเริ่มแสดงธรรมนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านอยู่ในความสงบนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวมีน้องแพลวชิมพูมาอีกหนึ่งท่านนะคะนั่งนังตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงเสือแต่พี่ส่งไม้ให้นะค่ะ ขอเรียนเชิญพวกเรากราบหลวงพ่อพร้อมกันครับกราบครับขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการนโยบายและแผนคุณชนินเป็นตัวแทนพวกเราประเคนดอกไม้เพื่อเป็นการคารวะหลวงพ่อแล้วก็นับป น, นะครับพวกเราพนมมือคิดน้อมจิตในการถวายพร้อมกันนะครับ อนิมนต์หลวงพ่อเมตตาแสดงธรรมให้ลูกเราครับอุสาอุส า, าจัดเวทีกันเนาะดอกบัวไม่ตัดบัวมาหมดสารแล้วมันหลวงพ่อมระเทศก็ฝ่าพอหลายครั้งแล้วจำไม่ได้แล้วกี่ครั้งเท <c oughs> ่าไหร่นะเจ็ดชั่วโมง เยอะเกินอะมั่งเนะเจ็ครั้งใครไม่เคยฟังหลวงพ่อพเทศเลยมีไหมย t u b e ก็ไม่เคยฟังมีไหมกระทั่ง YouTube ก็ไม่เคยซ d ดีก็ไม่เคยฟังมีสองสามคน น, นะปล่อยทิ้งไปตบ <c oughs> ส่วนใหญ่เคยฟังแล้วละปกติหลวงพ่อไปเทศที่น่นที่นี่นะจะเจอ พวกที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อนะแต่ฟังซีดีแล้วภาวนาเป็นเนี่ยนะแย่ยไปหมดเลยนี่เพิ่งจะไปอยู่ที่หนึ่งเป็นที่ที่เป็นข้อยกเว้นเลยเป็นภาคเหนือตอนล่างๆหน่อยไปเทศมาสองสามครั้งไม่ได้ผลเลยคนฝึกมีสติจริงนะแต่สมาธิไม่มี สถานที่ไม่มีมจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นสังเกตดูโอ้เรียนมากไปเรียนมากไปไม่ใช่ฟังซีดีหลวงพ่อเยอะนะหมายถึงว่าเรียนสำนักโน้นเข้าสำนักนี้ลองไปเรื่อยๆภาวนาแบบนั้นไปไม่ไหวไปไม่รอดไม่รู้เรื่องสัิที mm hmm. คนที่อื่นเขาก็พัฒนาไปกันหมดแล้วเ mm hmm. ลียวอยู่กลุ่ม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 หลวงพ่อไปไหนก็พูดถึงเรื่องใจศกขาศีลสิกขาจิตศีขาปัญญาศกขาเรียนต้องเรียนให้ครบส่วนที่ทำกันไม่สำเร็จนะพอนานไม่สำเร็จนะพวกไม่ได้เรียนจิติกขาศีนก็ไปรักษานะตั้งใจรักษาแต่พอมาถึงเรื่องของจิตใจเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าจิตชนิดไหนนะ เป็นจิต ท, ที่ประกอบด้วยโมหะเป็นสมาธิที่มีโมหะเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิชนิดไหนนะเอาไว้ทำความสงบสมาธิชนิดไหนเอาไว้เดินปัญญาเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนสิ่งเหล่านี้ให้ถ่องแท้นะเวลาไปนั่งสมาธิไปทำมิจฉาสมาธิไม่ทำเสีดีกว่าทำแล้วโมหะมากกว่าเก่าเป็นมนุษย์ปกติก็ดีๆอยู่แล้วนะไปนั่งสมาธิให้มันซึมซื่อบื้อไป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 บางคนไม่เจอหลวงพ่อนะฟังซีดีจะจับหลักได้จับหลักได้ปุ๊บจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตนี้พร้อมที่จะเจริญปัญญาลักษณะของจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลมีความคล่องแคล่วว่องไวมีความขยันในการรู้อารมณ์รูปนาม ถ้าจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อจิตขี้เกียจขี้คลานไม่ใช่จิตที่ดีงั้นสิ่งนี้ต้องพัฒนาขึ้นมาให้ได้วิธีที่เราจะพัฒนาจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องก็ค่อยๆเรียนเรื่องของจิตงั้นบทเรียนที่ทําให้เราได้สมาธิที่ดีถือเรียกว่าจิตศิกขางั้เรียนเรื่องจิต ตอนหลวงพ่อสอนใหม่ๆสอนเรื่องให้รู้ทันจิตเพื่อจะพัฒนาสมาธิให้ถูกต้องน่เองคนยุคนน้นไม่เข้าใจนะบางทีคิดว่าหลวงพ่อสอนว่าไม่ให้นั่งสมาธิก็นั่งทำมิจฉาสมาธิไปนั่งทำมันทำไมนะก็เลิกซะทำผิดมาฝึกสมาธิที่มันถูกซะก่อนสมาธิที่ถูกมีสองอย่างนะหนึ่งสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันนี้มีสติไม่ขาดสติ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 สมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะมีสัพ์เฉพาะนะเรียกว่าอารมณูปนิชฌานเราไปเพ่งเช่นเราเพ่งในความว่างหรือเพ่งจิตให้นิ่งๆไม่คิดไม่นึกนะหรือเพ่งแสงสว่างหรื อ, อยู่กับแสงสบายนะทํากรรมฐานอะไรก็ได้จเจริญเมตตานะใจแผ่กว้างออกไปนะใจไม่อยู่กับตัวเองจิตใจอยู่ในอารมณ์เดียวนะจิตใจอยู่ในอารมณ์เดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ขาดสติ อันนี้เอาไว้พักผ่อนถามว่ามีประโยชน์ไม่มีเอาไว้พักผ่อนถ้าไม่ได้พักผ่อนเลยจเจริญปัญญารวดไปมันเหนื่อยนะแต่บางคนทำไม่เป็นทำไม่เป็นไม่ได้เรื่องเรื่องเดือดร้อนอะไรนะขอให้ทำสมาธิอย่างที่สองเป็นก็นแล้วกันพระอราหันต์ส่วนใหญ่นะเป็นพระอราหันต์ที่ไม่ได้ทรงฌานมาก่อนนะเหมือนคนอย่างพวกเราเนี่ยเข้าฌานไม่เป็นนะคนส่วนใหญ่เป็นแบบพวกเรานะที่ท่านบนรรลุพระอราหันต์กันนะ หลวงพ่อไม่ได้พูดเองอันนี้พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้นะบอกว่าในบรรดาพระอราหันต์500รูป500องค์เนะี่ยมีพระอราหันต์ที่ได้วิชาสามรนะะลึกชาติได้รู้การจุติอุบัติใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็รู้แล้วก็ล้างกิเลสได้ น่าจะได้กนละ้วคีมตี้ยลงไปเรื่อยๆนะโอเคเนี่ยพระอราหันห้าร500องคงนะมีพระอราหันที่ได้วิชาสามระลึกชาติได้รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนล้างกิเลสไดนะ้ท่านเหล่านี้ต้องส่งฌานมีจำนวน60องค์ 12% บสเปอรนวลาส่งฌานอยู่เนี่ย2ซตพระอราหันที่ได้อภินยาห เป็นแสดงริษได้มีหูทิพมีตาทิพมีเจโตปริยายานใแบบนพวกนี้พระอรหันตเหล่านี้มีอีกหกองค์สิบองเพระอรหันตอีกจำพวกหนึ่งเรียกว่าอุปโตภาควิมุติพระอุปโตภาควิมุติคือพระอรหันตที่ไดอรูปประชนันท่านไดอารูปประชันในขณะที่บรรลุพระอรหันตพระอรหันตอย่างนี้ก็มีอีกหกองค์อีก1 2บรวมแล้ว 36% ที่เหลือเป็นพระสุขวิปสัสสกะคือคนอย่างพวกเรานี่เองไม่ได้สงชา น, นี่เองเพราะฉนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าต้องเข้าฌานได้ก่อนถึงจะไปเจริญปัญญาเป็นพระอรหันต์นะเข้าใจผิดเลยแต่นแต่ได้โสดาขึ้นไปเนี่ยจะได้ฌานอัตโนมัติได้ปฐมฌานอย่างต่ําที่สุดจะเป็นของแถมนั้นเป็นปกติทั่วๆไปภริยบุคคลทั้งหลายจะได้ปฐมฌานเป็นเบื้องต้นเลยอย่างต่ําถ้าได้ถึงอรูปฌานจะเป็นอุปโตภาควิมุติ งั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคนอย่างพวกเราเนี่ยไม่ต้องตกใจว่าเข้าฌานไม่เป็นงนเราใช้เราเข้าใจการฝึกสมาธิให้ถูกซะหน่อยสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาจนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะเป็นสมาธิชนิดที่จิตเป็นหนึ่งแล้วเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงนะจะต่างกับสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนสมาธิพักผ่อนเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยอยู่กันยิ่งเนีย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 สมาธิอีกชนิดหนึ่งที่พวกเราต้องฝึกให้ได้เลยเรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตเป็นหนึ่งนะอารมณ์เท่าไหร่ก็ได้นะแล้วอะไรจริงๆแล้วไม่ได้ดูตัวอารมณ์นี่มีจิตเป็นหนึ่งนะแล้วดูความเปลี่ยนแปลงดูความเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ทั้งหลายดูอะไรดูไตรลักษณ์เรียกว่าลักขณูปนิชานสมาธิที่จะทาให้พวกเราเดินปัญญาได้นะคือลักขณูปนิชาน แต่บรรดาพระอ ร, ริยบุคคลนะท่านทําลักขณูปนิชฌานจนบรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยเวลาที่ท่านต้องการพักผ่อนท่านสามารถใช้ลักขณูปนิชฌานเนี่ยเป็นที่พักผ่อนได้ถ้าปุถุชนเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยชินจะชินแต่อารมณูปนิชฌานเขาไปเข้าอารมณูปนิชฌานเข้าอารมณูปนิชฌานได้ฌานที่หนึ่งสองสามห้าหดแดลักขณูปนิชฌานก็หนึ่งสองสามห้าหกดแดนะบางท่านเข้าสมบัติที่9ได้ด้วย มันบัตดที่9จะไม่เข้าที่อารามณูพนิชฌานเนี่ยเราต้องค่อยๆเรียนนะค่อยๆศึกษาเรื่องของจิตทํายังไงจิตจะสงบอยู่ในอารมณ์เดียวได้อารามณูพนิชฌานจิตปกติเนี่ยจะหิวอารมณ์วิ่งพลาดไปวิ่งไปดูวิ่งไปฟงังวิ่งไปดมกลิน่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกทางใจเนี่ยจิตปกติมันจะร่อนเร่อย่างนี้ เรียกว่ามันโคจรนะโคจรไปโคจรไปว่าที่ไปของวัวนะตามศัสตร์จริงๆโคจระเป็นที่ท่องเที่ยวไปจิตนี้เที่ยวไปทางตาเที่ยวไปทางหูเที่ยวไปทางจมกูกเที่ยวไปทางลิ้นเที่ยวไปทางกายเทยี่ยวไปทางใจเที่ยวไปเพื่ออะไรเที่ยวไปเพื่อสแสวงหาอารมณ์ที่มีความสุขมีความพอใจนะอย่างเราไปดูหนังเนะี่ยเราไม่ได้หวังว่าจะมีความทุกข์ใช่เราไปดูหนังเราไปฟังเพลง เราไปกินของอร่อยเนี่ยจิตมันโครจรไปอย่างนี้หวังว่าจะมีความสุขแต่ว่าพอเราอย่างเราไปดูหนังเลกเรื่องเนี่ยดูแล้วมันก็มีความสุขไปเดียวเดียวเดี๋ยวก็ต้องไปโครจรไปที่อื่นต่อนะไปฟังเพลงนะยังไม่มีความสุขพอก็ไปหาอะไรอร่อยกินกินเสร็จแล้วก็เหนื่อยแล้วไม่มีความสุขแล้วหาที่นอนอะไรเนี้ยจิตใจเนร่อนเร่ไปเรื่อยๆหาอารมณ์ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ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 เราก็เลือกอารมณ์กรรมฐานอันนั้นคนไหนเป็นคนอย่างมีศรัทธามากนะคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็จิตใจดีสบายมีความสุขมีความสงบเราก็จเจริญพุทธานุสติคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้านะบางคนชอบพิจารณาธรรมะพิจารณาธรรมะแล้วจิตสงบนะก็พิจารณาธรรมะบางคนชอบอ่านประวัติพระสาวกนะสาวกองคโน้ต่อสู้มาอย่างนี้องค์นี้ต่อสู้มาอย่างนั้นอ่านแล้วจิตใจแช่มชื่นเบิกบานมีความสุข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 เราลึกถึงคนดีๆเราลึกถึงเทวดาบางคนก็ใช้เราลึกถึงศีลถ้าเราทำรักษาศีลมาได้ช่วงหนึ่งอย่างเราตั้งใจรักษาศีลนะทุกวันตั้งใจมาเรารักษามาได้อย่างดีเลยเป็นเดือนเลยเดือนสองเดือนสเดือนอะไรเงี้ยพอเราตั้งใจรักษาศีลมาอย่างดีเวลาเราคิดถึงว่าเออเรามีศีลนะใจมันจะมีความสุขม่ใจมีความสุขใจจะมีความสงบ ในสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งนะบรรลุพระอระหันต์ด้วยวิธีนี้คือท่านน่ะน้อยใจตัวเองว่าบวชมาเนี่ยรุ่นเดียวกันนะเขาได้พระอระหันต์ไปได้พระอนาคาหรือได้โสดาสกัาคาอะไรท่านไม่ได้อะไรเลยฌานสมาบัติอะไรก็ไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรติดตัวนะเสียใจน้อยใจวันหนึ่งนะเอามีดโกนปาดคอตัวเองาปาดคอเสร็จแล้วท่านก็เกิดนึกขึ้นได้นะตอนนั้นยังไม่ทันตาย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 ที่จริงถ้าเราตั้งออกตั้งใจถือได้สักช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะอิมเบิบใจพอคิดถึงแล้วมันอิมเบิบใจถ้าอิมเบิบใจใจมีความสุขใจมีความสุขสมาธิจะเกิดอัตโนมัตินะเนี่ยเคล็ดลับนะอย่างนี้เรียกว่ามีศีลานุสติระลึกถึงศีลที่ได้ทําไว้ดีแล้วนะหรือเราไปบริจาคทานนะเราไปบริจาคทานแล้วเราอิมอ่มเบิบใจเรานึกถึงเรามีความสุขนะเนี่ยอย่างนี้ก็เป็น อนุสติอีกอย่างหนึ่งเร ะ, ะลึกถึงฐานที่ทําไว้ดีแล้วเร ะ, ะลึกถึงความสงบเราลึกถึงความสงบระลึกถึงพระนิพพานพวกเรายัางระลึกไม่เป็นเราไม่รู้จักพระนิพพานเราแค่อนุโมนเอาว่าก็ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเคยเห็นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่น่แก่เท่าอายุ90อายุร้อยหนึ่งดูท่านสดใสดูท่านมีความสุขดูท่านมีความสงบเมื่อไหรเราจะได้อย่างท่านนะอะไรเนี้ย นึกถึงความสุขนึกถึงความสงบที่เราเคยเห็นนะจากพระผู้เท่าอะไรพวกนี้ใจมันมีความสุขขึ้นมาเลยนะ uh huh. ท่านต้องปฏิบัติ ด, ดนะีท่านปฏิบัติ ด, ดีใจท่านมีความสุขใจท่านมีความสงบเราคิดถึงความสุขความสงบนะใจสงบเลยนะอย่างนี้เรียกว่าอุปัสมานุสตินะอย่างนี้เรียกว่าอุปัสมานุสติแต่เรียกแบบข้างข้างเคียงๆนิดหนึ่งถ้าตามหลักสูตรจริงๆแลระลึกถึงพายในภายในซึ่งเราไม่เห็นนะยังไม่เห็น หรือเราะระลึกถึงความตายใจเราฟุ้งซ่านมากหรือเราอาฆาตแค้นคนมากเราโลภมากนะอะไรเนี่ยคิดถึงความตายบ้างนะใจมันจะหมดแรงดิน้นจะโลภไปทําไมจะเกลียดไปทําไมไม่นานทุกคนก็ตายอย่างคนสมัยอยุธยานะไปอ่านประวัติศาสตร์สิเกลียดกันแทบตายใช่ไหมสุดท้ายตายหมดทุกคนอนะ่ะตายทั้งสองฝั่งทั้งคนที่รักทั้งคนที่เกลียดนี่พอเราคิดถึงว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนวันหนึ่งเราก็ตายนะใจมันสงบลงมา แต่บางคนนะบางคนไปคิดถึงตัวนี้ใจฟอไปเลยถ้าใจคิดแล้วใจฟอก็อย่าไปเอาใจไม่ได้สมาธิหรอกต้องคิดถึงแล้วใจสงบสลดสงเวทนะใจมันจะสบายคลายความยึดถือในอารมณ์ที่รุนแรงต่างๆลงนะอย่างนี้ก็เรียกว่ามรณนะสติหรือรู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้านะนี่เรื่องาอน า, นาภนาสติพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจิตมันชอบคิด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 ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่ของสวยของงามไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุดืมโลกมาใช้ชั่วคราวแล้วก็ต้องคืนโลกไปเนี่ยอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้คิดพิจารณาไปอย่างนี้นะใจก็สงบได้เราต้องเลือกดนะูว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไรที่ว่าเราไปอยู่กับกรรมฐ า, านนั้นแล้วมีความสุขถ้าเราอยู่กับกรรมฐานา น, นั้นใดมีความสุขนะจิตจะสงบโดยไม่ต้องอ้อนวอนให้สงบไม่ต้องบังคับให้สงบ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 ดูแลเหมือนพระขี้เกียจเลยควาจริงท่านภาวนาแต่ว่าอยู่ในอิริยาบถ ท, ที่เรานึกไม่ถึงแต่พวกเราอยาก เ, าเป็นข้ออ้างนะตามสติสติเนี่ยบรรลุในะอิริยาบถนอนมีน้อยนะอิริยาบถ ท, ที่บรรลุมากก็ยืนเดินนั่งสามอิริยาบถอิริยาบถนอนนี่ทํายากก็ขาดสติง่าย ม, มันเคลิ้มงั้นเราเลือกดูตัวเองกรรมฐานอะไรที่เหมาะกับตัวเราเราอยู่กับกรรมฐานนั้นมีความสุขเราก็ไปอยู่เล่นๆอย่างหลวงพ่อ ฝึกอาณาปนสติแต่เด็กบังเอิญบังเอิญ น, นะจะเรียกว่าบังเอิญมันก็คงไม่ใช่เพราะว่าศาสาศนาพุทธไม่มีบังเอิญเขาเรียกว่ามีบุญนะ่ะแหละไปเจอท่านพ่อหลีเขาท่านพ่อหลีวัดอโศการามไปหาท่านตอนหลวงพ่อเด็กๆ เ, เ, เล็กๆท่านพ่อหลีเนี่ยถ้าเจอเด็กๆจะจับนั่งตักเด็กผู้ชายนะเออถ้าเด็กผู้หญิงก็ไม่ให้นั่งหรอกเจแต่เด็กผู้ชายก็จับนั่งตักได้เรียนกับท่านท่านสอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่ง หายใจเข้าฟูตหายใจออกโทรนับสองนับไปถึง10บนะสิแล้วก็นับมา9ก้าแปดเจดหห้าอย่างเหมือนปล่อยจรวดหลวงพ่อเด็กอะนับถอยหลังไม่เก่งพอนับถอยหลังลราเครียดเครียดนี่ไม่เอาใจมันไม่เอาเองนะมันหายใจไปถึง10แล้วต่อ11 12นับไปถึงร้อยเลยนับเลขถอยหลังไม่เป็นนะแต่นับขึ้นไปเรื่อยๆได้พอถึงร้อยแล้วนับหนึ่งใหม่ไม่นับถอยหลังแร้วจิมก็สงบเหมือนกันปรากฏว่าไปได้กรรมฐานที่มันถูกจริต คือทำอนาปัญสติแล้วมันมีความสุขเพราะฉะนั้นทำอนาปัญสติแป๊บเดียวใจก็สงบละทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทิ้งนะเนี่ยเนีน่ยดูเป็นไหมน ะ, น ะ, น ะ, นะานึกจะทำเราก็ทำได้เพราะเราอยู่ที่ฝึกนะี่ฝึกมันสบายสบายอยากพักนะมีเวลาพักนิดหนึ่งเราก็พักของเราได้ละต้องฝึกสิ่งเหล่านี้ของฟรีไม่มีต้องฝึกเอา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 นะ ว, วันวันนะึงน่าสับสนมากเลยว่าวันนี้จะไปบ้านไหนอย่างนี้ไม่มีความสุขไม่มีความสงบอ่นะเรามีบ้านเดียวนี่แหละที่อีกแก่อยู่เนี่ยนะออถึงเย็นแล้วก็กลับมาเจอกอารณ์จิตเราก็เป็นอุเบกขาไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเลยเนี่ยนะสบายอยู่กันมีความสุขนะนะเวลาทำกรรมฐานก็เหมือนอย่าใช้อารมณ์กรรมฐานเยอะเกินไปไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะทำอะไรก็ให้มันดูตัวเองก่อนว่าเราทําอันนี้แล้วสบายเราก็ทาอันนี้แหละ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 เป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องดีมากไม่ค่อยมีใครรู้จักท่านอยู่ท่านมาจนอายุ90้าสิบกว่าปีคนมาเริ่มรู้จักตอนท่านไปเผาศพหลวงปู่ฟัน่นท่านเป็นพระโ น, โนเน ม, มไปต้องเดินนะจอดรถอยู่ไกลๆแล้วเดินพระยิ่งใหญ่ทั้งหลายท่านก็นั่งรถผ่าน ช, วๆๆชิวๆชิวๆขี้ฝุ่นเยอะแยะหลวงปู่ดูลอยอายุตั้งเยอะแล้วเดินเดินเดินเดินไปเหนื่อย ไปนั่งพักอยู่ใต้ต้นไมย้ยุ90กว่าสมเดยย็จพญานาคสังวรท่านนั่งรถผ่านมาท่านเห็นนะท่านรับขึ้นรถไปด้วยแล้วท่านก็ไหว้ไปถึงวัดแล้วถ้ากลับก็ไหว้คนก็เริ่มสงสัยว่าท่านคือใครสมเด็จยญานสังวรท่านก็บอกว่านี้อาจารย์ของหลวงปู่ฟัานอีกทีนะคนถึงเริ่มรู้จักตั้งแต่นั้นท่านก็เริ่มเดือดร้อนแล้วตอนหลวงพ่อไปหาท่านนะจริงๆท่านก็ไม่ค่อยมีคนไปเรียนกรรมฐานกับท่าน คนไม่ค่อยรู้จักเท่าไรวันๆ น, นะไม่มีใครไปถามหรอกท่านก็เดินสบายอยู่ทั่ววัดนะทีเราจะไปหาท่านที่กุฏิไม่อยู่ก็ไปเดินรอบๆวัดเดี๋ยวก็เจอนะเจอตรงไหนนั่งได้ท่านก็นั่งสอนตรงนั้นเลยนะไม่มีพิธีกรรมหรอกไม่มีวางฟอร์มเลยนะงั้นท่านเนี่ยมีวัสนามบารมีอย่างหนึ่งท่านรู้จริตท่านรู้ว่าคนคนนี้ต้องฝึกอย่างไรถึงขนาดนี้เลยนะซึ่ง บารมีตัวเนี้พระสงฆ์สาวกทั่วไปไม่มีแต่หลวงปูดด่ดูลีหลวงพ่อไปหาท่านกราบท่านบอกอยากภาวนาท่านหลับตาเงียบๆไปเกือบๆชั่วโมงไม่เต็มชั่วโมงดีหรอกลืมตาขึ้นมาท่านบอกให้ดูจิตไปเลยให้ดูจิตไปเลยท่านบอกว่าพุโทโธพุโทโธใชท่านรู้ว่าเราพุโทโธมา ก, ก่อนหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเนี่ยบอกพุโทโธไป จิตรวมแล้วนะให้ดูจิตต่อเลยท่านว่าอย่างนี้ให้ดูจิตเอาจิตของหลวงพ่อมันรวมอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เป็นโยมแล้วท่าึกก็แบบให้ดูจิตต่อนะตอนไหนมันฟุ้งซ่านกลับมาหายใจมาพุทธโธจิตสงบหรือบางคนเนี่ยท่านสอนให้ดูกระดูกบางคนท่านสอนให้ดูผมเส้นเดียวนะครูบาอาจารย์อย่างนี้นะมีองค์เดียวหลวงพ่อไม่เคยเจอองค์ที่สองเลยแล้วท่านทําได้เพราะว่าพวกเราไปหาไปถามกรรมฐานนะ ท่านนั่งเงี ย, งยบๆสืบประวัติเราอยู่ตั้งเป็นชั่วโมงบางคนสืบนานสืบสองชั่วโมงเพราะว่าอะไรหาความดียากเหลือเกินทวนตามไปนะเคยฝึกอะไรมาบ้างบางคน ท, ท่านก็ใช้เวลาไม่มากนะไม่ถึงชั่วโมงโรู้เราคนนี้ต้องทําอย่างนี้นะทำอย่างที่ท่านบอกเราดีนะแต่ครูบาอาจารย์ที่รู้จริตอย่างเนี้ไม่เคยเจออีกสักองคหนึ่งก็ไม่เคยเห็นเลยนะเพราะฉะั้นพวกเราต้องช่วยตัวเองให้มาก ถ้าเราไปคืนไปถามครูบาอาจารย์ผมจะปฏิบัติยังไงหนูจะปฏิบัติยังไงท่านเคยปฏิบัติไงท่านมักจะสอนให้ปฏิบัติอย่างนั้นซึ่งตรงนี้แหละเราจะตายก็ตายตรงนี้แหละอย่างท่านเคยพุโทโธท่านบอกให้เราพุโทโธพุโทโธดีที่สุดอะไรอยงี้เราไม่ชอบพุโทโธพุทโทรแล้วกลุ้มใจนะโทรแล้วอึดอัดเงี้ยเราก็จะบี้ตะบันพุโทโธไปจิตไม่สงบหรอกเพราะฉั้นต้องดูตัวเองนะในถึงวันนี้เนี่ยคนที่เรียนกรรมฐานเอาจริงเอาจัง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 ไม่ใช่อยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขก็หายใจแล้วก็หลับในไปเลยลืมตัวเองใช้ไม่ได้ถ้าขาดสติเมื่อไหร่เป็นมิจฉาสมาธิห้ามเด็ดขาดเลยนะนั่งสมาธิแล้วก็บื้อซื่อบื้อส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะพอนั่งสมาธินี่คิดว่าจะทําใจให้สงบก็บังคับให้ใจสงบเนี่ยหลนะายคนก็หน้านี้คิออนะ้วขมวดเครียดจัดเลยดูจนสติจะแตก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 ไม่หลับเพใจลอยเรายกเว้นตอนหาอยู่หากินเท่านั้นแหละที่จะต่อสูนะ้เวลานอกนั้นเอาไว้ขาดสติงั้นทํากรรมฐานเลือกเอาเองจะใช้กรรมฐานอะไรนะอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างมีความสุขอยู่อารมณ์นั้นอย่างมีสติรู้เนื้อรู้ตัวไปเช่นหายใจอย่างเงี้ยเวลาหายใจนะหายใจออกมันจะผ่อนคลายนะถ้าเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าใจมันจะเครียดงั้นเวลาทํากรรมฐานเนี่ยหายใจออกก่อน แล้วค่อยหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนี่บางคนเคยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรทำยังไงล่ะจะมาหายใจออกพูดหายใจเข้าโทรนั่งเวียนหัวมากเลยสับสนทําไม่ได้เลยมีอยู่คนหนึ่งฉลาดมากเลยนะส่งกันบ้านหลวงพ่อเขาบอกว่าเขาต้องยังไงเขาก็ต้องหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรแต่เขาใช้วิธีหายใจทิ้งไปนิดนึงก่อนหายใจออกไปหน่อยหนึ่งแล้วรู้สึกอยู่เห็นร่างกายหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนะถ้าทําอย่างนี้นะ จะเห็นร่างกายหายใจอย่าไปจ้องใส่ลมหายใจนะพวกเราที่ทาําอนาปนสติแล้วจิตไม่ยอมสงบง่ายๆนะบางทีไปจ้องใส่ลมหายใจอย่าไปจ้องอยู่ที่ลมเนี้ยถ้าจ้องใส่ลมนะมันจะเป็นกสินเป็นกสิน ล, ลมนะกระสินทำไปเรื่อยๆลมจะค่อยๆดับดับดับกลายเป็นแสงกสินทั้งหลายเนี่ยทําไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นแสงเหมือนกันหมดแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าได้กสินอย่างหนึ่งแล้วกสินที่เหลือเนี่จะง่ายล้ว เพราะมันจะกลายเป็นแสงแบบเดียวกันงั้นถ้าเราจะทามานาพนัสตินะให้จิตสงบรู้เนื้อรู้ตวัวจริงไม่หลงไปทางกรสินกรสินนี่มันมีข้อดีบางทีก็มีฤทธ์นะเล่นโน้นเล่นนี่ได้แต่ว่าโอกาสที่จะย้อนกลับมาเจริญปัญญาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะมันสนุกกับของเล่นของจริงเลยไม่เอางั้นเราลองปรับวิธีใหม่หายใจยังไง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 แล้วเราก็แก้เครียดด้วยการไปดูหนังไปฟังเพลงไปกินเหล้าไปอย่างโน้นไปอย่างนี้ไม่หายถ้าเราใจของเรามีพัฒนาการเราสามารถมีที่พึ่งในใจของเราถึงเวลาเรามาเข้าทำกรรมฐานถึงเวลาเราก็ทำทุกวันทุกวันใจเราได้พักผ่อนมีความสุขกว่ากันเยอะไม่เสียสตังค์ด้วยทำที่บ้านไม่ต้องทำที่ไหนหรอกไม่ต้องไปวัดโน้นวันนี้นะไปตามวัดก็ลบากบางวัดนะผู้หญิงไปก็อันตรายนะผู้หญิงไปพวก ผู้ร้ายมันมาบวชเป็นพระก็มีบางบางวัดนะผู้ชายไปยังอันตรายเลยนะออพวกตุยมาก็มีนะพระตุยพระอะไรอย่างนี้ตุ๊ดอะไรก็มีนะยนอยู่บ้านเราภาวนาเราที่บ้านไม่ต้องยุ่งกับคนอื่นนะใครเข้าภาวนายัางไงก็เรื่องของเขาไม่ต้องยุ่งปล่อยทางใครทางมันฝึกของเราเองนะถ้าทำได้อย่างนี้ไม่นานใจเราก็สงบได้นิสมาที่อีกอย่างหนึ่ง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 หรือบางทีเรารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจแล้วจิตเราไหลเข้าไปอยู่ที่ลมพอเรารู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมนะจิตจะตั้งมั่นเองเมื่อไรรู้ว่าจิตไหลเมื่อนั้นจิตจะตั้งมั่นใช่หลักตัวนี้ให้ดีนะถ้าได้หลักตัวนี้เรื่องการทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นจะเป็นเรื่องง่าย <S <S เหมือนกับรู้หลักว่าถ้าอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะได้สมาธิชนิดสงบเนถ้าจะเอาสมาธิชนิดตั้งมั่นนะก็คือ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 ใจจะเครียดใจจะเครียดเมื่อไหนสมาธิเสื่อมหมดเลยใช้ไม่ได้ต้องทําสบายๆนะเนี่ยฝึกไปอย่างนี้จิตเคลื่อนไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้ตัวที่จิตไหลไปหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตส่งออกนอกจิตส่งออกนอกนะนั่นเรารู้ทันจิตที่ส่งออกนอกไม่ใช่ว่าห้ามจิตส่งออกนอกนะให้รู้ทันจิตที่ส่งออกนอกทําไมไม่ห้ามเพราะหลวงปู่ดูลเคยสอนนะบอกว่าอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอก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 จิตมาลงที่เดียวกันแต่มาเล่าให้ท่านฟังแตมาหายใจนะคุณแม่หายใจเรารู้สึกตัวลมตื้นตื้นตื้นขึ้นกายเป็นแสงเป็นแสงแล้วก็จิตเคลื่อนไปจากแสงรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันจีจะตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วเดินปัญญาท่านบอกว่าท่านั้นหลักเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมท่านใช้พุทธโธหลวตามหาบวัวให้ท่านพุทธโธพุทธโธพุ ท, พทธโธนะท่านบอกท่านพุทธโธแล้วท่านก็รู้สึกอยู่ตรงนี้ พุทโธแล้วสบายตรงนี้สบายของท่านนะของเราอย่าเรียนแบบนะตรงนี้สบายของท่านถ้าเราอยู่ตรงนี้เราอึด อ, อัดอุ้ยปวดหัวปวดตาอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ใช่เอาให้สบายสบายเนี่ยแต่ท่านของท่านท่านเล่าว่าเนี่ยจิตท่าน้าอยู่ตรงนี้ที่เดียวกับที่หลวงพ่อทำํำแต่หลวงพ่อมันกลายเป็นแสงของท่านพอพุทโธพุทโธแล้วจิตเคลื่อนก็รู้จิตเคลื่อนรู้ในสุดจิตจะตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วเดินปัญญา ต, ต่อท่านถึงบอกว่าจิตมันมาที่เดียวกัน งั้นเคล็ดลับของการปฏิบัติให้ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นก็คือให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะให้รู้ทันจิตที่ไหลถ้ารู้แล้วจิตจะตั้งของจิตเองนะนี้พอได้จิตตั้งมั่นแล้วคราวนี้เราก็เดินปัญญาได้การเดินปัญญานั้นขั้นต้นต้องแยกธาตุแยกขันให้เป็นให้เห็นแยกรูปแยกนามถ้าพูดแบบปริยัตินะเรียกว่าแยกรูปนามนะนี่ครูบาจารย์สายปฏิบัติบางทีท่านพูดละเอียดทวีอีกท่านเรียกว่าแยกธาตุแยกขัน เ่าตัวรูปเนี่ยแยกออกไปได้อีกรูปแยกได้เป็นธาตุที่ท่านว่าแยกธาตุรูปเป็นธาตุอะไรธาตุดินน้ําไฟลมนี่แยกได้อีกนะแยกนามน้ำเป็นยังไงน้ำก็มนะีมีขันศีลนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันนะแยกขันแยกธาตุแยกขันก็คือแยกออกไปจนถึงสภาวะเชิงเดียวสภาวะที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานี่เป็นสภาวะที่ซับซ้อน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 แยกถึงที่สุดละวงั้นเป็นตัวสภาวะธรรมแท้แล้วตัวโกรธตัวโลภโลภยังไงก็คือโลภโลภไม่เหมือนโกรธใช่ไหมโลภไม่เหมือนหลงโลภคือโลภแยกต่อไปไม่ได้แล้มีแต่โลภมากกับโลภน้อยนะแต่โลภก็คือโลภงั้นโลบเนี่ยมีสภาวะธรรมเป็นตัวธรรมะแท้เป็นสภาวะแท้แล้วเราจะต้องแยกรูปนามนะจะเข้าถึงสภาวะแท้แท้ของมันถ้าเข้าถึงสภาวะแท้แท้ของมันตัวเดียว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 อีก70ตัวเนี่ยเป็นรูปแท้ๆอยู่18ตัวนะที่เหลือเนี่ยเป็นส่วนที่เกิดประกอบจิตเรียเจตสิกห้ตัวแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องแยกได้ทั้ง72ตัวนะอย่างน้อยตัวหนึ่งที่ไม่เคยเห็นเลยคือนิพพานไม่ต้องไปคิดแยกหรอกนะเราจะดูดูจนกระทั่งถึงสภาวะเชิงเดี่ยวของนิพพานจะไม่เห็นถ้าเป็นปู่ทุชนไม่มีทางเห็นนะจะกลายเป็นหลงในช่องว่างช่องว่างไม่ใช่นิพพานเป็นอาการสานใจยตนะ นี่เราหัดดูสภาวะที่ง่ายๆที่เรามีพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างมาสภาวะอะไรที่ง่ายๆที่พวกเรามีที่ใครๆก็รู้จักสุขรู้จักไหมสุขทุกข์รู้จักไหยเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์รู้จักไห ม, ไหมเมมหมนี่ยง่ายๆสภาวะอย่างเงี้ยไม่มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้รู้จักโลภไหมรู้จักโกรธหลงไหมรู้จักอิจฉาดีใจเสียใจอะไรเนี่ยอารมณ์นานาชนิดนะ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 อาจจะเป็นกุศลก็ได้หรือเป็นรคาค <awakening. S 2> <beğ en S 1> ะก็ได้เวลาจิตมีราคะมีความสุขนะหรือเป็นอุเบกขาได้เวลาจิตเป็นกุศลมีความสุขหรือมีอุเบกขาได้เราะนั้นถ้าจิตมีความทุกข์มีความเครียดขึ้นแม้แต่น้อยนะอันนั้นจิตเป็นอกุศลแต่ถ้าจิตมีความสุขไม่แน่ว่ า, ากุศลหรืออกุศลต้องดูอีกทีนี่นเราค่อยๆเรียนหัดรู้สภาวะเนี่ยท่านสอนดูกราพยิกสูทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะ จิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาง่ายๆเห็นไหมราคาพวกเรารู้จักไหมราคาคือตัวโลภรู้จักไหมอยากโน่อนอยากนี่ดูขรพิสูจน์ทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะเนี่ยตระ ก, กูลโทสะเกิดขึ้นมาก็ให้รู้ตะ ก, กูลโทสะดับไปก็รู้เนี่ยสภาวะเนี่ยของง่ายๆนะจิตมีโมหะหลงก็รู้จิตรู้สึกตัวก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหูก็รู้ เนี่ยท่านสอนจากสิ่งที่พวกเรามีเห็นง่ายๆนะเพราะงั้นหัดดูสภาวะธรรมนะดูสภาวะธรรมไปถ้ารูปธรรมมันดูยากก็ดูนมามธรรมนะรูปธรรมแท้ๆเนี่ยดูยากมากถ้าจิตไม่ทรงฌานจริงนะยากที่จะเข้าไปดูรูปแท้ๆได้จะเข้าไปดูจนเห็นรูปดินน้ำใยลมอะไรเงี้ยดูยากอากาศสัตวเนี่ยดูยากรูปที่พวกเราเห็นเนี่ยเป็นรูปข้างเคียงเท่านั้นเองอย่างเป็นต้นว่า รูปหายใจออกรูปหายใจเข้ารูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนี่เรียกว่าวิญยติรูปนะไ ม, ไม่ใช่รูปตัวจริงๆอะไรนักหนาหรอกแต่ว่าเทียบเคียงเห็นไใ้ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่มันไม่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่ารูปทั้งหมดไม่ใช่เราไปด้วยนะแต่ตัวที่ดูได้ชัดๆเลยนะไม่ดิ้นเลยนะคือความรู้สึกทางใจความรู้สึกทางใจเนี่ยเป็นสภาวธรรมเชิงเดี่ยวจริงๆเลยโกรธก็คือโกรธรอบก็คื อ, ร อ, คอรอบสุขก็คือสุขทุกข์ก็คื อ, คอทุกข์ก ดูรับเพื่ออะไรไม่ใช่ดูเพื่อจะเอาดีเอาสุขเอาสงบนะไม่ใช่ดูเพื่อประเสธความทุกข์ความฟุ้งซ่านความเลวไม่ใช่แต่เราดูเพื่อให้เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดได้ก็ดับไดนะ้ต้องการแค่นี้เองเช่นจิตโลบขึ้นมาก็เห็นจิตรอบเกิดจิตรอบดับไปก็รู้ว่าจิตรอบดับไปจิตโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่าจิตมันโกรธนะจิตโกรธดับไปก็รู้ว่ามันดับนะแค่นี้เอง จิตที่มีความสุขเกิดขึ้นหรือความสุขเกิดขึ้นในร่างกายก็รู้นะความสุขหายไปก็รู้เราต้องการให้ดูให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายนะเกิดแล้วก็ดับดูไปเรื่อยนะดูไปบางคนบารมีมากก็ดูไม่กี่วันเจ็ดวันบารมีปานกลางก็เจ็ดเดือนบารมีน้อยหน่อยก็เจ็ดปีนะถ้าอย่างน้อยมากๆเลยเจ็ดชาตินะนไม่ไหวก็7กลับอย่างนี้นะค่อยๆข ย, ย, ย, ยายไปนะยังไงก็ดูไม่เลิก หลวเคยเจอครูบาอาจารย์อง์หนึ่งนะท่านลูกสิหลวงปู่มั่นนะท่านคุยกับท่านน่ะตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชเราพูดธรรมะกับท่านว่าเราภานาอย่างนี้นะท่านน้าตาไหลท่านบอกว่าเนี่ยรุ่นเดียวกับท่านเขาพ้นทุกข์ไปหมดแล้วท่านไม่ได้อะไรเลยท่านว่างี้คล้ายๆองค์ที่เชิดคอนะแต่นั้นสมัยพุทธกาลแต่องค์นี้ไม่ได้เชิดวันนี้ท่านก็ไม่สบายนอนอยู่ แต่ท่านพูดอยู่ประโยคหนึ่งนะทำให้หลวงพ่อเนี่ยกราบท่านแบบเต็มไม้เต็มมือเต็มใจเลยท่านบอกว่าเราภาวนาเราไม่ได้อะไรเราก็ไม่เลิกอีกร้อยชาติเราก็จะภาวนาเนี่ยใจอย่างนี้นะใจเด็ดเดี่ยวมากเลยถ้าพวกเราดูสิภาวนามาสามวันแล้วยังไม่ได้ผลเลยเลิกดีกว่ า, วาฟังแล้วหลอยถ้วยนะเอาปริญญา L อทไปเลยนะหลอยถ้วยไม่ได้เรื่องนะต้องสู้ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีก ดูไปถึงเมื่อไหร่ดูถึงเมื่อใจฉลาดใจฉลาดแนละ้วเราเห็นสภาวะมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับนะีถึงจุดที่ใจฉลาดนะีมันไม่ใช่มารู้ว่าความโกรธเกิดแล้วดับความโลบเกิดแล้วดับนะแต่มันจะสรุปรวมยอดว่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับถ้าจิตมันเข้าถึงตรงนี้ได้จะได้ธรรมะเบื้องต้นนะเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันธรรมะที่สูงขึ้นไปก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดดับคือรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายเนะี่ยที่เกิดแล้วดับไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ย ที่จริงแล้วเป็นอะไรเป็นตัวทุกข์รูปนี้คือตัวทุกข์นามนี้คือตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์แจมแจ้งเมื่อไหร่นะจิตจะสลัดคืนไม่ยึดถือในรูปนามมันจะไปยึดทำไมมันเป็นตัวทุกข์งั้นถ้าเห็นทุกข์นะจึงจะเห็นธรรมไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมงั้นภาวนาแล้วใจสงบใจสบายใจโล่งใจว่างนะอยู่กับว่างอยู่กับสุญญาตาไม่ได้กินหรอกถ้าได้ยินใครพูดอย่างนี้นะรู้เลยนะว่าพวกนี้ไม่ได้เจริญปัญญา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 ทุกครังก็คือของที่กําลังมีอยู่นี่ถูกบีบคั้นเพื่อให้ดับไปให้หายไปอนัตตาคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่จะมีอยู่หรือจะตั้งอยู่หรือจะดับไป เ, เราสั่งไม่ได้เป็นไปตามเหตุเนี่ยใจมันจะเห็นความจริงอย่างนี้นะพอเห็นความจริงอย่างนี้แล้วใจถึงจะเรียกว่ารู้ทุกข์ว่ารู้ปรธรรมนี้เป็นตัวทุกข์นามธรรมนี้เป็นตัวทุกข์เมื่อรู้อย่างนี้จิตจะวางนั่นคำว่ารู้ทุกข์นี่เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยถ้าไม่รู้ทุกข์จะไม่เห็นธรรม เพอพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกให้รู้สมูทัยให้ละนิโรธทําให้แจ้งมรรคทาให้เจริญทุกให้รู้ไม่ใช่ทุกให้ละแล้วก็ไม่ใช่ทุกให้หนีทุกให้รู้อะไรเรียกว่าทุก์ไม่ใช่ความทุกนะสิ่งที่เรียกว่าทุกขคือรูปธรรมและนามธรรมถ้าเรารู้รูปธรรมรู้นามธรรมไปอย่างถ้าคนไหนดูอะไรไม่เป็นเลยโกรธอย่างเดียวก็เห็นเลยเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวหายแค่นี้พอแล้วที่จะบรรลุธรรมนะแค่นี้เอง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 มันหิวโหยขึ้นมามันก็คืออยากให้ร่างกายให้จิตใจมีความสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เพราะมันรู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์นะความอยากไม่เกิดอีกเพราะความอยากเกิดจากความไร้เดียงสาเกิดจากความไม่รู้ถ้ารู้จริงในธาตุในขันธ์นี้แล้วนะตัณหาจะไม่เกิดเมื่อรู้ทุกข์เมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นทันทีที่ตัณหาดับเข้าถึงความดับสนิทนะ นิโรธคือพันิพาณจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาพราะนิพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหานิพาณไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนะถ้าเราได้ยินใครสอนว่านิพาณเป็นโลกโลกหนึ่งมีพระพุทธเจ้านั่งเข้าแถวอยู่เป็นจนํานวนมากให้รู้ว่านั่นคือนิมิตไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้านิพาณจริงๆคือสภาวะที่สิ้นตัณหาใจสิ้นความหิวใจก็จะเข้าสัมผัสพันิพาณนะมีความสุขอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องรอตายแล้วไปเข้ า, านิพาณที่ไหนเลยนะ นิพพานที่เข้าเข้าออกได้ไม่ใช่นิพพานตัวจริงนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่เคยหายไปไหนเลยใจเรามีความอยากมันก็เลยมองไม่เห็นเพราะรู้ทุกข์เมื่อไหร่ล้าสมูทัยเมื่อนั้นลาสมูทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธคือแจ้งนิพพานเมื่อนั้นในขณะที่แจ้งพระนิพพานนั่นแหะอริยมรรคก็เกิดในขณะนั้นเพราะนการรู้ทุกข์ลาสมูทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยเป็นเรื่องอัศจรรย์นะ ขณะเดียวนะั้นที่กระเถือนโล ก, กราแทเลยนะวัตตะถล่มลงไปมันวัตตะมันหมุนติ้วๆอยู่กลางอกเรานี่เองนะถ้าธรรมะ ม, มันแจ้งขึ้นมารู้ในกองทุกข์แยมแจ้งนะวัตตะนี่ถลม่มคลื่นลงตรงหน้าเลยนะหลังจากนั้นก็จะมีชีวิตที่สงบสุขนะอะไรจะเกิดขึ้นไม่กระเทือนเลยนะชีวิตจะมีแต่ความสงบสุขมีแต่ความสันติงั้นถ้าถามว่านิพพานมีลักษณะอย่างไรนะตอบพระพิเสียงดังๆ บอกว่าจำม า, มาว่านิพพานมีลักษณะสันติสันติลักษณะนิพพานอะ่ะรู้จักโทสะไหมมีลักษณะของมันใช่ไหมโทสะเกิดขึ้นมาแล้วแหมมันทําลายล้างอะ่รนูรู้จักโลภะไหมมีลักษณะของมันนะมันดึงเข้ามาดึงอารมณ์เข้าหาตัวโทสะมันจะทำลายผลักออกไปเนะนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวมีลักษณะสติก็มีลักษณะของมัน คือลักษณะไปรู้ทันสภาวะที่กาลังเกิดปัญญาก็มีลักษณะคือเข้าใจความจริงของสภาวะสมาธิก็มีลักษณะคือความตั้งมัน่นนี่ผ่านก็มีลักษณะสันติสงบแต่ไม่ใช่สงบแบบสมาธินั่งให้สงบนะสงบอยู่ได้ตลอดเลยทั้งวันทั้งคืนเพราะอะไรจิตไม่กระเพื่อมเลยจิตไม่มีความกระเพื่อมหวั่นไหวเลยฟ้าผ่าเปี่ยนจิตไม่ไหวเลย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 งั้การภ า, าวนาทจะรับรื่นมีความสุขมีความสุขตั้งแต่ยังไม่ทันบนรรลุอะไรเลยนะเพราะอะไรเพราะมีสมาธิหล่อเลี้ยงอยู่มีที่พักเป็นช่วงช่วงช่วงไปถ้าไม่มีเลยเนี่ยใจจะแห้งแลง้งแต่แห้งแล้งแล้วไปได้ไหมได้แต่ไปแบบแหง้งแล้งนะถามว่าไปได้ไหมส่วนใหญ่ท่านไปด้วยวิธีแหง้งแรงนี่แหละนะห้ามดูดถูกนะพอสมควรแก่เวลาเกินไป5้านาทีสุมเมศเดี๋ ว, ว่านะนานๆเจอกันทีอ๋อเสียเวลาปรับใหม่อยู่5นาที ครับกับขว่าคุณหลวงพ่อครับต่อไปขอเลยนเชิญผู้ส่งกันบ้านหมายเลขหนึ่งครับมิสเตอร์ฟลาวิโอครับมีล่ามครับผูดไทยได้ปะมีล่ามเออมีล่ามพอดีเป็นคนที่ไหนนะเม่นบราซิลเบอร์เบ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 ความนับถือการเมืองพ่อนะคะคือเขาบอกเ้าชื่อฟลาพิโอนะคะเข้ามาจากบราซิลและเขาก็มีความสนใจในคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนามากถึงแม้ว่าครอบครัวจะเกิดมาในศาสนาคริสต์นะคะ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 เ็าบอกว่าไม่ไม่เหมือนกับปกติที่เขารู้สึกกับท่านเพระภาวนาถูกแล้วล่วนะให้ให้รู้ตัวนี้ต่อนะเวลาจิตมันไปคิดนะจีเป็นเคลื่อนไปคิดรู้ทันไม่ห้ามนะแค่รู้ทันเฉยๆเมื่อที่ภาวนามาใช้ได้เลยนะนี่ขนาดอ่านหนังสือนะั้นเนี่ย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 ต้องปรับตัวเยอะเลยเสียเวลาหลายเดือนเลยกว่าจะปรับตัวได้ถ้าเวลาเราน้อยนะอยู่ในคารวาสอย่างนี้ยาวนาไปเลยก็คือให้เขาพอนะอย่างที่เขาทาอยู่ใช่ใชไหมคะท่านเขาทำได้ดีอยู่แล้ว<อ>ไปบวชนั่งวันวานนี้ต้องต้องรีบตะลีตะลานตื่นตื่นแล้วต้องพยายามเข้าส่วม <c oughs> ไม่งั้นตอนไปบินทบะนะจะทําไงอะ่ะใช่ไหมถ้ายุ่งตั้งแต่ตื่นเลยนะแล้วมันจะกว่าจะปรับตัวได้นี่นาน แล้วทำไงผ้าไม่มีกระดุมสักหน่อยนะอยู่ได้ยังไงเดินเดินไปมันไม่สามารถขี่กับเราต้านะนบทใหม่ๆลำบากนะนะกว่าจะปรับตัวได้เสียเวลาพาวนาอย่างนี้ดีกว่า So uh, I, I was asking ลวงพ่อ about the you would like to practice monkhood mm. and he said that uh, in this condition as we are a normal like a layman it's already suitable for you Because if you want to enter and practice monkhood, then you would have to uh, waste a lot of time, uh -huh, and month to do many things that uh, in in terms of uh, being monk. Mm. So the way that you are practicing is the right way already. Mm -hmm. Thank you. h o k Thai c a o e e a h h n k you n t เ, เราทำแบบมันไม่ได้ทำลิ้นแบบแบเบขาแกะส่งส่งกันบ้านนะค ะ, ะไม่ได้สแสบอะ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 โดยนิสัยนะตัวที่ดูง่ายคือตัวโกรธมันเด่นงั้นเวลาใจมันหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันเราก็เห็นน่ะมันหงุดหงิดได้เองเดี๋ยวมันก็หายของมันเองแ่รู้ความรู้สึกไปไปดูกายนยจะเพ่งนะ่ะเดี๋ยวจะไปติดเพ่งซะแค่รู้ความรู้สึกไป กลับหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้จิตมีโมหะเยอะมากเลยอเห็นด้วยค่ะก็ไม่มีไรนอกจากว่ามาไกลก็อยากให้หลวงพ่อชี้ทางต่อให้เร็วๆหน่อยเจ้าคะไม่มีก็เห็นอยู่8ปีก็ได้ผลว่ากิเลสเห็นกิเลสมันน้อยลงนะคะแต่ก็ยังเห็นว่ามันมีอยู่อีกเยอะมากมายเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะล้างกิเลสค่ะแต่เราฝึกให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ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 สติให้มากไว้แต่ถ้าตั้งเป้าผิดนะมันเหนื่อยว่าไว้ผิดลงหาก จ, จะพูดผิดกออ็รู้กิเลสอยู่แต่ว่าอ อ, อืก็ไม่มีอะไรก็ยังไม่ผิดใช่ไหมคะยังถูกทางอยู่รู้สึกไหมใจมันขับค้องใช่คหมคะไม่ถูกหรอกไม่เห็นใจที่คับคล้องใช่ใชสมาธิน้อยไปไหมคะใจมันอยากรู้สึกไหมใต้ลงไปนะมีความอยาก มันน่าจะมีค่ะมีไม่น่าจะเ <c oughs> น, นี่ยรู้อย่างนี้นะรู้เข้าไปก็ท้อเปลือกตัวเองเข้าไปรู้ซื่อใจกล้าๆน ะ, ะเรียนรู้ความบกพร่องเรียนรู้กิเลสของเรานี้รู้ทันมันเข้าไปยังมีอยากลึกๆใช่ไหมคะใช่เหมือนแกล้งว่าจะไม่รู้ว่าจะรู้แล้วแต่เไม่อยากยหรอกใชนไม่อยากแล้วนะเดี๋ยวนี้ <c oughs> เดี๋ยวก็เมื่อไหร่จะได้ ให้เห็นตัวนี้นะค๊ะค่ะเออนะรู้ทันแล้วการภาวนาจะสบายนะไม่งั้นจะเครียดไปของแม่ชีนั้นมันดิ้นรนเยอะไปภาวนาสบายๆภาวนาโง่ๆได้มาหลายก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันเราดีแล้วที่ได้ภาวนาถ้าทำใจอย่างนี้ได้น่จะไปได้เร็วดีแล้วเราที่ได้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะดีต่อเมื่อได้ไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเอาเจ้าค่ะมันเหมือนกับว่า มัไม่มีอาชีพอื่นเห็นไหมเห็นใจไหมนั่นแหละมันโลภอย่างนั้นนะแค่ว่ามันบวชแล้วไม่มีหน้าที่อื่นมันก็ต้องภาวนาค่ะหลวงพมันก็บีบคั้นอย่างหลวงพ่อถึงบอกฝรั่งไว้าอย่าเพิ่งบวชเลยถ้าบวชแล้วมันจะรุยแบบนี้นะมีเวลาสองปีหมดเลยแต่แต่ไม่ใชีต้องบวชอยู่นะคะบวชบวชไปบวชแล้วจะสึกทําไมล่ะ พ่ว่ามันชื่นมันชื่นใจในการเป็นเป็นนักบวชที่เพียรภาวนาค่ะหลวงพว่อมันชื่นใจที่ได้บวชนะนั่นแหละพอใจแล้วแต่ห <ๆ S 2> ลวงพว่อมากบอกหลายคนว่าอย่าบวชไม่ชีก็เริ่มรังเล้นี่ย <c oughs> นี่บวชไปแล้วนะงานก็ลาออกไปแล้ว <c oughs> บวชแล้วก็ใช้ชีวิตนะให้มันสบายห <c oughs> มายถึงไม่ใช่สุขสบายอย่างโลกโลกหรอกสบายในการภาวนางเรา เ, เอาเวลาเนี้ยมาพอนาได้ไม่ต้องยุ่งเรื่องอื่นนะยังทำกิจกรรมเยอะอยู่รอเปล่าไม่เลยค่ะหลวงพออ่อสบา ย, ออยามากเลยอยู่วัดนะ่ะพอนาอย่างเดียวดีดีผู้หญิงนะไปบวชน่าลำบากงานเยอ ะ, ะบางวัดนะก็ใช้แม่ชีในไรไปทำไร่อยู่บ้านทำนามาบวชทำไร่ <laughs> <laughs> บวชหาสบันวิมารเล เป็นค่ะที่วัดสบายมีแม่ชีตามไปบวชเยอะอยู่เจ้าค่ะเราไม่ได้เอาสบายหรอกนะบวชเราภาวนาให้สบายเจ้าค่ะมีสติตั้งแต่ตื่นจนหลับดูรูปนามดูคันห่าทำงานไม่ดูคนอื่นเลิกพูทุกเ้ลิกวาไปสักพักดีไหมคะหลวงพ่อเลิกภาวนาไปสักพักไม่ได้ไม่ได้ของแม่ชีต้องภาวนาไม่เลิกเลิกเพื่ออะรฟุ้งแหลกเลยเพราะโดยพื้นเนี่ยฟุ้งเก่งอยู่แล้วนะให้คนอื่นบ้างสาธุเจ้าค่ะกลาวขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ นมัสการหลวงพ่อค่ะไม่ได้ส่งกันบ้านมาปีหนึ่งคือจิตมันมันถูกคล้องงานด้วยความกลัวเนี่ยเป็นปีแล้วเพราอมันมันเสียดายอะเสีได้อะไรมันเสียดายไอ้ความสําคัญของตัวเองที่อุตส่าห์แบบเหมือนกับว่าสร้างเปลือกขึ้นมาเยอะอืแล้วแล้วพอมันไปเห็นของจริงว่ามันไม่ได้เรื่องอืมันทั้งอ่อนแอทั้งหลอยถ้อย แล้วมันก็เลยเศร้าเศร้าแล้วก็รับความจริงไม่ได้ทีนี้มันก็เลยพยายามตะเกีกตะกายใหม่ที่จะหากรรมฐานเพื่อให้อยู่อย่างสงบวิธีการก็คือดูตรงๆเข้าไปที่ความรู้สึกเศร้าค่ะดูเข้าไปตรงๆแล้วมันเศร้าอยู่เมื่อน้ความเศร้าจะครอบจิตถ้าดูเข้าไปตรงๆมันจะครอบไม่ได้และไอตัวที่มันบีบคันจี้จี้ตรงนี้แล้วก็คลายบีบตรงเนี้มันเจ็บมากเลยมันคืออะไรคะเป็นเวทนา เราไม่ต้องไปค้นหาว่าไม่ต้องค้นหาว่าเธอมาจากไหนไม่จเป็นใช่ส่วนมากจิตจะชอบคนหาคำตอบให้เห็นหน้าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาแล้วมันก็ดับไปใช่ไหมคมันดับไหมล่ะมันดับค่ะเออแล้วจะมาถามทำไมแต่มันกลัวมันปรุงแต่งต่อเอออย่าไปปรุงต่งต่อให้รู้รู้ลองปัจจุบันแล้วก็จบลงตรงนั้นแหละ สรุปแล้วหนูไม่ต้องมีกรรมาฐานนอกจากดูจิตไปตรงๆ ร, ร, รู้สังเคราะห์ใช่ไหมคะรู้ซื่อๆไปไม่ต้องไปเสด็จแต่งดัดแปลงควบคุมบังคับกดข่มเพราะว่าทํามาหมดแล้วทําไปก็ไม่ได้ผลอะไรใช่ก็มไม่ได้ผลเลยเจ๊งทุกเจ๊งทุกท่านั่นแหละความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่นั่นสอนมาตั้งนานแล้วเมันมันโง่ออะฮะโ ง, ง่แล้วก็ดื้อจริงจรดื้อนี่ยที่หนึ่งนะ ใช่อยู่ในกลุ่มอันดับท็อป10หน่อยหรอใช่ใช่แต่ว่าความทุกข์เนี่ยจะทําให้เราหายดื้อชุกมากค่ะมากสาหัสมากเออพอเห็นทุกข์เข้าแล้วสุดท้ายมันก็ต้องยอมรับความจริงแล้วค่ะดังนั้นตอนนี้งานเร่งด่วนตอนนี้นะรู้ทันความความทุกข์ความเศร้าความไม่พอใจดูเข้าไปตรงๆอย่าให้ครอบจิตค่ะต่อไปค่ะขอบคุณแต่ว่าที่ผ่านมาปีหนึ่งไม่ใช่เหลวไหลนะ ฉีดมันมีพัฒนาการขอบพระคุณค่ะทาตดขันมันแยกจนชำนาญห น, นูก็เลยยังกลัวบ้างยังยังมีอยู่อ่ะกลัวก็ดูก <Picas> ลัวไม่ใช่คล้ำครวนโอเคค่ะนักมัศการหลวงพ่อครับนี่ก็เพิม่มไปเยอะผมส่วนมากดูแค่เวลาเดินก็ดูเท้ามันเดินะ ถีบจักรายานออกกําลังก็ดูมันถีบไปแค่นี้ย อ, อารมณ์อะไรไม่ค่อยได้ดูไม่พอจะมีแววบ้างไหมครับร่างกายนั่นแหละตัวอารมณ์รเราใช้กายเป็นอารมณ์ับใช้รูปเป็นอารมณ์ครับเห็นรูปมันทํางานครับใจเราอยู่ตางหากเป็นคนดูสังเกตไหมขันมันแยกได้ครับขันมันแยกแล้วล่ะการพภาวนามไม่ยากแล้วครับมันอยู่ที่ว่าจะดูได้มากแค่ไหนดูจนมันพอครับคําว่าพอก็คือใจยอมรับความจริงว่าตัวที่เดินอยู่ตัวที่ขี่จักรายานอยู่ไม่ใช่เราหรอก ครับนะจิต ท, ที่ไปดูก็เป็นแค่ธรรมชาตินึนนงครับนะเป็นสภาวะธรรมอันหนึง่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราอีกนะครับดูถ้าจะดูกายก็ให้เห็นกายกับจิต ท, ที่รู้กายไม่ใช่เราดูงั้นครับอขอบคุณหลวงพ่อครับกล่าวนามส ก, การค่ะหลวงพ่อหนูส่งกันบ้านในรอบครึ่งปีค่ะอ่าก็ ที่ผ่านมาหลวงพ่อเคยแนะนําให้ไปแยกธาตุแยกขันธ์เลยก็ไปกลับไปดูแล้วสิ่งที่หนูติดรู้สึกติดติดอยู่หรือู้สึกเหมือนกับตัวสังขารขันธ์นะคะที่มั น, ม, น, ม, นมันคิดกับจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันมันไปเหมือนกับความคิดเกิดแล้วจิตอกุศลเกิดตามอะไรเงี้ยค่ะความคิดเนี่ยไม่ใช่สภาวะธรรมน ะ, ะไม่เป็นไม่ใช่รูปธรรมนามธรรมความคิดอนะไปคิดอะไรก็ช่างมัน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 นูไม่แน่ใจว่าจิตหรือความคิดที่มันเป็นอกุศลเกิดขึ้นในใจออย่างนั้นเรารู้ว่าอากุศลเกิดขึ้ น, น<ะ>แล้วก็รู้ยังดีเปียแแบทองพระบางคนมันลอกทองพระนะก็เลยแบบมันก็รู้สึกเหมันก็ผิดผิดในใจไม่ไม่ผิดถ้าจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลใช้ได้เป็นบุญใหญ่นะถ้าสิ่งเดที่หนูเลื่องเกินระพุทธประธรรมประสงคะ์แล้วก็หลวงพ่อนะคะหนูขอขามา ศาสุอะต่อไปนมาส ก, การเจ้าค่ะออตอนนี้สถานนะของหนูยังเป็นคารว่าอยู่หนูขอกล่าบถามเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิเจ้าค่ะถ้าเกิดอุปจาระสมาธิเนี่ยอันนี้ถามมาจากการปฏิบัติแล้วก็รู้สึกนะเจ้าคะอุปจาระสมาธิไม่แน่ใจว่ามันถูกไหม เพราะว่าระหว่างช่วงตรงนี้ที่เกิดขึ้นมันจะมีการถึงแม้ว่าเวทนาจะเกิดมันก็ยังคิดควบคู่พิจารณาไปแต่ว่ามันเจ็บปวดเพราะว่ายังมีความเจ็บแทรกอยู่เยอะอยู่มากแล้วเมื่อหนูพยายามทําต่อไปเรื่อยๆรู้สึกว่าจิตสงบเข้าไปเรื่อยๆจนเวทนายังอยู่ความเจ็บปวดยังอยู่แต่ว่าความรู้สึกเนี่ย มันแยกออกมาทําให้หนูไม่ดิ้นรนหนูขอถามตรงนี้ว่าตรงนี้นี่มันคืออัปปนาหรือเป็นอะไรคะไ ม, ไม่ไม่เป็นอัปปนานะอย่างมากก็เป็นอุปจาระตรงนั้นนะจิตมันเด่นตดวงขึ้นมานะคะมันยังไม่ได้มีองค์ของฌานขึ้นมาครับมันมีวิตโตพิจารณไม่มีปีติสุขอะไรเงี้ยแต่ว่ามันได้เริ่มมีเอกาตาต้นๆนะแล้วคราวนี้หนูอยากจะถามว่า ถ้าการดูลมหายใจเข้ารู้ออกรู้แต่คราวนี้หนูรู้สึกว่าถ้าเข้ารู้ก็ต้องตามสติไปให้ถึงจนสุดสายของการรู้แล้วก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องไล่ตามลมไปนะแต่ว่าหัดใหม่ๆบางทีก็ไหลตามลมไปใช่ค่ะแต่เวลาตามลมอย่าให้จิตไหลไปที่ลมก็แค่เห็นว่ามันหายใจยาวไปถึงไหนก็รู้นะรู้ตัวค่ะ ทำให้ดูสิบรรยายเม็นพูดยากไปโทรไปโทาแทรกก็เข้ารู้นะทำไม่ได้มันตื่นเต้นใช่มันโมหะเข้านะแต่คราวนี้ว่าหนูจะถามเป็นแค่ทฤษฎีก่อนว่าจากตอนปฏิบัติมันมันมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะทฤษฎีก็คือว่าการเข้ารู้ แล้วก็ต้องมีสติไปให้จนถึงสุดสายของการเข้าแล้วก็มีสติของการ <คำ S 1> ออกเข้าหมายถึงอะไรหายใจเข้าอ๋อหายใจเข้าตามมันไปไม่ว่าจะสั้นหรือยาวคือจริงๆไม่ได้ตามนะหนูหายใ จ, จเข้าหายใจจะออกเนี่ยเราไม่ขาดสติเลยนะ<ม>วไ่ไม่ไม่ส่งจิตตามลมไปนะคะ่ะแต่ว่าทำใหม่ๆมันยากพอส่งจิตตามไปหนูรู้สึกเหนื่อย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 เสร็จแล้วก็รู้มีสติระลึกรู้หนูคงหนูควรจะต้องใช้คำว่ามีสติระลึกรู้ถึงการหายใจออกแล้วตแล้วมีสติระลึกรู้ตามไม่ใช่ตามลมแต่ว่ามีสติระลึกรู้ถึงการหายใจออกจนสุดสายซึ่งตรงนั้นแล้วถ้ามีสติจับดีๆมันจะเห็นช่องว่างของการออกหยุดแล้วเข้าใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูยัง<ต>ทำ ไ, ไ ด, จดำ้จุดสคัญจุดสาคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวร่างกายนะนะ สมาธิเนี่ยทําเพื่อให้จิตสงบจิตตั้งมั่นเพราะฉะนั้นจุดสําคัญอยู่ที่จิตถ้าเรามีสติรักษาจิตอยู่อันนั้นเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้เวลาที่จิตสงบลมลงมาเนี่ยนะลมจะค่อยๆตื้นๆตื้นๆจนกทั้งลมมันหยุดนะแต่จิตน้ามันทรงตัวเด่นดวงอยู่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ะมันไม่ใช่ว่าไปยุ่งอะไรกับลมหลอกมันทิ้งลมไปคะ พอถึงตรงนั้นแล้วจิตมันเปลี่ยนฐานจากที่ปลายจมูกพอหนูรู้สึกเริ่มสงบแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับการที่มันตามรู้อะนะคะไม่ต้องเพรา่เราอยากฝึที่ใช่เราก็รู้ตัวอย่างนี้เนี่ยเราก็ส่งไปอย่างเงี้ยนะมันเปลี่ยนที่จากปลายจมูกพอเริ่มสบายแล้วหนูเห็นแค่ร่างกายมันตรงหน้าอก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 อย่าให้ขาดสติให้ดูที่ตัวผู้รู้ว่ารู้ว่าไม่หายใจไหมคะอย่าไปจงใจดูสิถ้ายัางจงใจอยู่เดี๋ยวจิตก็ฟุ้งอีกมันจะไม่จงใจนะหลวงพ่อฟุตเคยสอนนะว่าสมถะเนี่ยเริ่มมาหมดความจงใจนิพสสนาเริ่มมาหมดความคิดงั้นถ้าบอกว่าโตถึงตรงนี้แล้วทำอย่างนี้ต่อจงใจจิตจะไม่เข้าอภปนาจริงหรอเจ้าค่ะ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 มีชื่อผุดขึ้นมาไม่ได้แปลว่ามีตัวตนนะแต่ว่าในความรู้สึกของหนูเหมือนกับว่าความเป็นหนูมันดิ้นรนพยายามที่จะให้หายเจ็บไม่มจะไปดิ้นรนสิครับให้ดูตรง น, นี้จิตดินดีให้รู้ทันจิตดินร้ายให้รู้ทันมันดินร้ายแล้วหนูก็รู้ทันว่าหนูมีความอยากที่จะออกจากเวทนาแต่หนูไม่ออกหมายถึงว่าจิตไม่ยอมออกเพราะว่าหนูพยายามที่จะนั่งให้ให้ คนกับเวทนาเพราะว่าปีนี้หนูมีความรู้สึกว่าหนูหนูเริ่มที่จะนั่งสู้ได้กับเวทนาบ้างหนูก็พยายามี่จะนั่งอโอ้ทำไมต้องไปสู้กับมันล่ะหนูจะเอาชนะมั น, นไม่คะ่ะไม่หนูรู้สึกเหมือนกับว่าหนูเริ่มเหนื่อยหนายเพราะว่าหนูนั่งทีไรหนูก็พอเจ็บหนูก็พอจะกระดูกแตกอย่างเงี้ยค่ะมันละเอียดแล้วหนูก็จะออกอจนตอนหลัง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 สมาธิไม่พอเนี่ยมันทนไม่ไหวถ้าทนไม่ไหวจริงจร ง, จรงสติจะแตกเนี่ยนะถอยซะดีกว่าเพราะว่าหนูถอยมาตลอดจนปีนี้หนูก็เลยไม่ถอยแล้วพอมา<ด>สุดท้ายรูรือเปลว่าจิตไม่ปกติอค่ะรู้สึกไหมว่าจิตมันไม่ค่อยปกติหนูทุงมาวันนี้จิตมันมีโมหะครอบไปเรื่อยๆโจ้าค่ะถ้างั้นหนูถามคําถามสุดท้ายว่าหายใจหายใจไว้ก่อน หาใจรู้สึกตัวด้วยใจที่ผ่อนคลายมีจิตใจผ่อนคลายหน่อยเออจิตให้ทรงอยู่ขนาดนี้นะเนี่ยแล้วรักษาไปตัวนี้ก่อนขออนุ ญ, ญาตสุดท้ายค่ะเกี่ยวกับเรื่องของท่าขันที่พอครั้งสุดท้ายที่นั่งหนูเริ่มมองเห็นความร้อนของขาแล้วก็เห็นความเจ็บปวดของกล้ามเนื้ อ, อ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 ามันทำให้เกิดความเป็นหนูขึ้นมาเพียงแค่ว่าแค่เรียนรู้เท่านั้นนะตอนนี้ค่ะหนูก็เลยอยากจะถามตอนนี้นะรักษาจิตไว้ก่อนอย่าไปฟุ้งซ่านในธรรมะนะรู้สึกตัวลงปัจจุบันไปนะไม่ต้องค้นคว้าเยอะนักหรอกถ้าจะดูเวทนาเนี่ยดูในแง่ที่ว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราจิตที่ไปรู้เวทนาก็ไม่ใช่เรา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 สติอ่อนไปแ ล, ะละ้วล่ะใจมันจะสติมันอ่อนไปแ ต, แต่กลับมาถึงตรงนี้ที่หนูที่หนูกลับเรียนเมื่อกี้ว่าหนูเห็นธาตุนะใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ความเจ็บปวดแต่ทําไมตอนหลังความเจ็บปวดนั้นหนูก็ยังเห็นว่ามันยังทรงอยู่แล้วหนูก็แยกออกมาเด่นชัดแล้วหนูก็มีความสุขคิดไหมว่าจิตขนณะนี้ติดอารมณ์ตอนนี้หนูต้องกลับไปทํำยังไงอีกเจ้าคะ ทำสติไว้ให้ดีนะจิตถูกอารมณ์ครอบงำแต่ยังไม่เห็นนะตัวนี้อันตรายนะใช่ค่ะัตต้ต้องรู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวลืมกรรมฐานไปก่อนรู้สึกอไว้ค่ ะ, ะให้คนเ <ขอ S 2> ื็นบ้างะน ะ, ะมันอันตรายเหมือนกันนะภาวนาไปเรียนกันแปลกๆครับหลวงพ่อเจ้าค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อแนะนำว่าให้ ภาวนาพุโทโธเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าจิตยังฟุ้งมากอยู่ขนาดนี้ก็ยังมีฟุ้งมากอยู่ใช่ได้แล้วแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นมากก็คือตัว<ม>ที่ถูกปีบคันแล้วก็เห็นถึงความบังคับไม่ได้<ม>แต่มีใจยอมรับมากขึ้นกว่าเก่าสังเกตไม่ว่าใจเรามีพลัง ก็บางครั้งก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่า ง, งานั้นแต่บางครั้งก็ยังคิดว่าการภาวนาของเราเนี่ยมันหย่อนไปหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> แม่ชีนะ่แล้วใจมันไหลไปแล้วเพิ่มสติไว้อย่าให้ใจมันหลงไปรู้สึกรู้สึกรู้สึกไว้รู้สึกตัวใจไหลเรารู้ใจไหลเรารู้สมาธิไม่พอละ มันใจเคลื่อนไปให้รู้ตันนะเนี่ยอันตรายนะคะของคุณไม่มีปัญหาอะไรแล้วล่ะคภาวนาใช้ได้ขอกัรน้ำเเนมและการบ้านต่อค่ะจุ๊บก้อขอกันบ้านด้วยค่ะกันบ้านทําอย่างนี้แหละทําถูกแล้วนี่ครับขอบพรคุณหลวงพอดูขันนะทํางานไปนะเจ้าค่ะดูออกแล้วล่ะค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะส่งส่งไปไปด้านโน้นครับที่เข้าคิวไว้ครับผมไม่ไม่ใช่ครับ ทางซ้ายของแม่ชีครับเหลือกี่คนเนี่ยใ ค, ใครยังไม่ได้ส่งกันบ้าน ช, ช่วยยกมือมนะนิดนึสคนมีเวลา6นาทีเองเขาให้ถึงแค่ห่ายสอง <c oughs> เอาผ้าเรยวไปเจอเคสยากมากๆค่ะงั้นการหลวงพ่อค่ะงั้นก็สิ่งที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็คือทำในรูปแบบ เธอสี่ห้าน ะ, ะการปฏิบัติในรูปแบบนี้ก็คือว่าเรานั่งมองว่าเราหายใจอยู่นั่งดูลมหายใจทีจนี้หลวงพ่อบอกว่าถ้าดูตรงนี้แล้วให้คิดต่อเรื่องผมคนเล็บฟันหนังอันนี้คิดไม่เป็นแต่ว่าทุกวันนี้ใช้กรณีดูว่าจิตไหลไปแล้วรู้ใช้ได้ใช่ไหมคะใช้ได้ค่ะแต่คอยรู้ทันนะใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะฟุงฟ้งมากค่ะหลวงพ่อนะรู้ทันตัวนี้ไป แล้วพ อ, อเรารู้แล้วแต่มันค่อยสงบเข้ามาหลุงพ่อคะแล้วถามว่าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยเราจะได้โสดาไหมคะมอย่างนี้ไม่บอกหรอกไม่ไม่ใช่ตอนนี้คะ่ะแต่แบบว่าคือมาอย่างนี้ก็คือโอเคแล้วใช่ไหมคะอา้าวแนวโน้มมันดีขึ้นเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันก็ต้องถึงแหละกล่าวขอบพระคุณคะ่ะแล้วก็ที่อีกคําถามเนี่ยคะ่ะที่ปฏิบัติมาไม่ค่อยเจอทุกข์เลยคะ่ะลุงพ่อแบบมันก็ยิ้มยิ้ ม, มชิวชวิไปอย่างนี้มันผิดหรือเปล่าคะจิตตอนนี้ไม่ถึงฐานดูออกไหม ตอนนี้ใช่ค่ะถ้าจิตไม่เข้าฐานเนี่ยจะไม่เห็นทุกคถ้าจิตอยู่กับฐานจิตอยู่กับกายอยู่กับใจเงี้ยมันจะเห็นกายนี้ทุกใจนี้ทุกนะแสดงว่าไม่เข้าฐานเลยค่ะเออใช่ขอบคุณค่ะมีฉลาดกราบขอบคุณค่ะแม่ชีรู้สึกตัวกราบนรมาสการ์ครับหลวงพ่อให้ผมดูโทรศัผมก็ดูมาตลอดนะครับ ก็เห็นนะครับบางทีก็มากบางทีก็น้อยอ <Ừ. S 1> แล้วตอนเนี้มันก็เห็นร่างกายเนี่ยมันเจ็บปวดมากกับเจ็บปวดน้อยถูนะครับตอนนี้ผมมาถูกแล้วใช่ไหมครับถูกแล้วทําไงต่อครับเพื่อทำอย่างนี้แหละจะในนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับสังเกตไหมขันมันก็แยกไปหมดแล้วครับผมขันมันแยกได้นะมันจะเป็นสัว์แต่ว่าขันทํางานครับมันไม่ใช่เราหรอกครับดูไปเรื่อยๆจนใจมันยอมแต่ใจยังไม่ยอมหรอกใจยังอยากอยู่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 คือหนูปฏิบัติมาตลอดค่ะก็อย่างที่หลวงพ่อเทศน์ได้ฟังคือทุกอย่างดูสังเกตไหมว่าเดี๋ยวกิเลส้ามาเดี๋ยวกิเลส้าไปเห็นไหมใช่ค่ะเดี๋ยวสุขก็มาเดี๋ยวสุขก็ไปทุกมาทุกไปนะดูอยู่อย่างนั้นตลอดดูอย่างนี้แหละดูไปสบายสบายไม่ได้ดูเพื่อเอาอะไรนะค่ะก็เวลาหนูเจอเจอเอ๊ะทำไมอย่างเงี้ยสามีก็จะบอกว่าก็แค่รู้นะก็แค่ดูไป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 หนูต้องต้องทำสมาธิหรืออะไรเพิ่มไหมคะไม่ต้องหรอกทําให้ลงหรอกใช้บริกรรมเอาแผ่เมตตาไปเรื่อยๆแล้วสมาธิจะเกิดเองใช้จเจริญเมตตาไล้ละดีเมตตาไว้เออจเริญเมตตานะทําใจเป็นมิตรนะนะั่นแหละทําใจอ่อนโยนไม่ดูร้ายนะมองคนอื่นเรื่อความรู้สึกเห็นอกเห็นใจนะมองสามีก็ให้ความรู้สึกเ <คน S 1> มตตา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 พอกับสามีช่วงหลังมาเนี่ยค่ะหนูรู้เลยหนูรู้หนูรู้ตัวตลอดเลยว่า<ม>เอ้ยฉันมีโทสะแล้วฉันโกรธแล้วก็<ม>พอถึงเวลาเข้าว่างพระก็จะกราบขอโทษเข้าทุกครั้งเวลาเวลาโทสะเกิดดูไปสิใจไม่มีความสุขค่ะให้ดูไปที่ความรู้สึกของเราเลยเห็นนะค่ะโทสะเกิดไม่มีความสุขดูอย่างเนี้จะเห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปดับไปนะนี่พอเรารู้ว่าโทสะเกิดแล้วไม่มีความสุขต่อไปใจมันก็ไม่อยากโกรธ ไม่งั้นโกรธทีไรก็ทุกแต่ไม่อยากโกรธมันจะค่อยๆลดลงแม่ชีขาสติขอบคุณค่ะอ่ะไปคนสุดท้ายาค่ะนมสักการค่ะหลวงพ่อค่ะคือหนูส่งกันบ้านครั้งแรกนะคะรู้สึกตื่นเต้ น, นะคะ่ะไม่ต้องตื่นเต้นภาวนาใช้ได้ค่ะก็หนูพยายาม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 แต่ว่าถ้าดูกายดูลมหายใจนี่มักจะแบบเหมือนจะเห็นไม่ค่อยช้านะคะหลวงพ่อส่วนใหญ่จะรู้ไอหลงคิดนะคะบ่อยเอาแค่หลงคิดแค่นี้ก็พอละตรงที่เรารู้ว่าจิตไหลไปเรารู้ไหลเรารู้นะศีล ส, สมาธิปัญญานเนี้ยเพิ่มขึ้นตลอดนะตรงที่ไหลไปพอเรารู้ทันสมาธิก็เกิดแล้วถ้าไปไหลบ่อยๆรู้บ่อยๆนะจะเห็นว่ามันไหลได้เอง หลายเองรู้เองหลายเองร้เองมันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานได้เองเนี่ยปัญญาเกิด <c oughs> คือหนูมักจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันคิดขึ้นเองอีกแล้วมันใช่ใช่ไม่ได้ตรงใจจะคิดแล้วก็อพอมันดับมันก็รู้ขึ้นเองมันดับเองใช่ค่ะอย่าไปโกรธมันอย่างนี้คือเห็นอนัตตาหรือเปล่าใช่เห็นอนัตตาภาวนาเก่งนะใได้ค่ะแล้วหนูควรจะเปลี่ยนกรรมฐานไหมคะเหมือนตอนนี้เปลี่ยนสิ คือพยายามดูลมหายใจอยู่เงี้ยค่ะหนูควรจะดูแต่แค่ความคิดดูจิตหนึ่งเท่ายั้นเองค่ะหายใจได้ด้วยก็ดีนะไม่งั้นเวลาบางวันฟุ้งซ่านมากเนี่ยไม่มีที่พักเลยใช่การู้ลมหายใจไว้น่าจะดีแล้วรู้ลมหายใจแล้วรู้ทันจิตก็ขอบพระคุณห่างหลวงพ่อหมดเวลีเสื้อดําจะส่งไปบ้านไหมหลวงพ่อคือเมื่อกี้พอดีผิดคิวตกค้างอยู่หนึ่งคนค่ะ นมันสการหลวงพ่อครับผมมึ่งส่งการร่างครั้งแรกนะครับก็ปฏิบัติมาตั้งแต่ 5-2 ครับแล้วก็มาฟังสีดีหลวงพ่อเมื่อต้นปีที่แล้ว57เจ็แล้วทุกอย่างที่หลวงพ่อสอนว่าผิดเนี่ยผิดทุกอย่างเลยครับก็เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก้าวช้าๆเหมือนลุกขึ้นครับสวันดี4วันไข้3วันดี4วันไข้ในการปฏิบัติ การภาวนานะต้องเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเป็นธรรมชาติอย่างนั้นครับแล้วก็ครั้งแรกที่เห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเองครับครั้งแรกที่เห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเองเนี่ยก็คือเห็นเห็นว่ามือเป็นอะไรไม่รู้ออก็พยายามจะนึกครับว่ามันคืออะไรออแต่ก็ตกใจอ ย, อย่างที่ซีดีหลวงพ่อบอกที่หลวงพ่อแนะนำครับแต่ว่าก็สักพักหนึ่งก็พยายามมองพยายามจะ หาสัญญาว่ามันคืออะไรก็มองไปเรื่อยๆแต่มันก็ไปรวมครั้งที่สองเห็นเหมือนกันครับเห็นท่าเดิม ม, มือข้างเดิมหลังจาก4ี่ห้าวินาทีมันมีมันเข้าไปรวมปับ๊บมันสัญญามันขึ้นมาว่านี่คือแขนเห็นอย่างนี้ถูกไหมครับสัญญาส่วนสัญญานะมีไม่มีไม่สำคัญครับตัวสำคัญก็คือความรู้สึกที่ว่าเอ้นี่ไม่ใช่เราหรอกครับใช่ ตัวสำคัญอยู่ตัวนี้นะครับผมแ ล, แล้วชื่อได้ไม่ชื่อแปลไม่ออกไ ม, ไม่มี ค, ความหมายเลยครับมมใช่ครับผมแล้วในรูปแบบที่ทำอยู่ตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันพิกไปเป็นสมถะอย่างที่หลวงพ่อบอกครับก็คือบางครั้งดูกายนั่งหายใจอยู่แต่ว่ามันไปนิ่งสักพักมันถอนออกมาอย่างนี้เรื่องเรียกว่าเริ่มเดินปัญญาเลี้ยงครับ มแล้วเวลาที่เราภาวนานะจิตจะรวมเข้ามาพักอย่าไปฝืนมันออัให้เขาพักไปพอเขาเคลื่อนออกมาแล้วก็ดูรูปนามเกิดดับต่อไปครับอย่างนี้แสดงว่าผมก็ทําแนวนี้ต่อไปถูกต้องทำได้อยู่ครับขอบพระคุณครับหลวงพ่อแล้วก็สิ่งที่ผมได้ภาวนามาในทุกภพทุกชาติครับขอน้อมถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และถวายหลวงพ่อปาโมต์ด้วยครับเป็นการบูชาครับมุ่งพุทธภูมิเปล่าเนี่ยือ ลเลิกเลยครับหลวงพ่อจะมีอะไรสรุปไหมครับคือให้หเลิกสรุปนะอย่าให้ขาดสตินะรู้ตัวไว้รู้สึกไว้รู้สึกไว้นะแล้วพอสมควรเกิเวลานะเพราะต้องใช้ห้องใช่ไหมสองโมงเห OK, เลิกต่างคนต่างไปครับพวกเราขอให้กราบหลวงพอ่อขอกราบขอะคุณธหลวงพอ่อพร้อมกันนะครับในความปรณาของหลวงพ่อกราบครับ ขอความกรุณาพวกเรานั่งอยู่กับที่ก่อนนะครับให้หลวงพ่อใช้รีบก่อนนะครับขอบคุณครับถ้าท่านใดจะมีภารกิจรีบขอความกรุณาใช้รีบจากชั้นเจดนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับทานนี้ชมรมพัฒนาจิตชมรมพุทธศาสตร์ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือครับขอบคุณครับสวัส ด, ดีครับ